ที่สถาบันพัฒนาการราชการฝ่ายตุระการสารยุติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปค้นหาอะไรพอมันเกิดอะไรขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเรารู้เฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับไม่ใช่เราไปค้นหาในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราอย่าไปค้นหาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้มันใช่ ใช่มันมันรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาหรือว่าเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดานิสือไม่ได้ปล่อยวางไปเสียแต่ถ้าสิ่งใดมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าไปค้นหามันอย่างเงี้ยเขาไปตึกค้นหามันอยู่ข้างในจ้องดูข้างในหมกมุ่นอยู่แต่ภายในอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดจิตปัญญาณที่เป็นตัวเป็นตัวถูกจับได้แล้ว เมื่อถ้ากลังหมกมุ่น ก, านกานําลังที่หล่นกําลังค้นหาอย่างนี้กายเป็นมีตัวตนแต่ถ้ากําลังเข้าไปค้นหาสิ่งที่มันมีที่มันเกิดมันดับแต่ความจริงไอ้ที่ท่านค้นหามันมีอยู่มันกายเป็นการปัญญาที่เป็นตัวเป็นตัวมวีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนั้นจนถูกก็จับได้แล้วอย่างเนี้ย้าร่ากายท่านตายแตกดับตอนนี้พวกมาเชิญวิญญาฝ่ายตะลกฝ่ายตะวันฝัก เ, เขาก็มาตามหาท่านเจอเจ้ากรรมในเวงก็ยังตามตามพบท่านได้อย่าไปหมกมุ่นค้นหาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปหมกมุ่นค้นหาเหตุผลเรารู้ตัวแล้วก็ พอทันแล้วก็รู้สึกทันทีว่ามันเป็นสองขานไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้หรือว่ามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเราลังดับไดแล้วก็ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นปกติอย่าให้เขาจับได้อย่าให้จับได้ในขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันใช้ได้ตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือสนใจติดไปกลับอะไร จนจับได้แล้วจะตัวยังไม่รู้เลยนั่งคิดเพลินด้วยเพลินเจริญใจไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือจับได้แล้วว่ามีตัวตนเกิดจิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตัวหรือคิดหมกมุ่นอยู่ภายในก็จับได้แล้วว่ามีตัวตนเกิดจิตปัญญาณที่เป็นตัวเป็นตัวเราก็ละสิ่งที่มีตัวตนเสียความเป็นตัวตนเสียใครก็ตามหาเราไม่เจอครูบาอาจารย์ก็จับเราไม่ได้เราตายแล้วใครก็หาเราไม่เจออย่างนั้นประเสริฐสุด เราติดอยู่อะไรมีตัวตนหมดคือเรารู้เท่าทานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็วางไปนั่นแหละขอเรารู้เต่าทานความมีตัวตนที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นนเรารู้เต่าทานแล้วก็วางไปการที่ครูบาอาจารย์จะจับได้หรือเทพเทวดาหรือว่าผู้ที่เชิญวิญญาณฝ่ายสวรรค์ฝ่ายนรกมาจับก็ไปได้คือกรณีที่เราเพลินใจนั่งแล้วคิดเพลินใจไปกับอะไรจะไม่รู้ตัวทีเดียวก็จับได้เกิดจิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตัว ผู้ที่เชิวิญญาณฝ่ายโลกตวันตกก็จับได้มาจับเอาไปท่านไปลงโทษได้เอาไปไปเป็นต่างๆได้นี่กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็ไปดินน้นรนปรับสายงุนงิดลำการใจสิ่งใดๆในขณะปัจจุบันนั้นๆทุกขณะปัจจุบันก็ทําให้จิตวิญญาณมีตัวมีตนขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งก็คือหมกมุ่นหนาเหตุผลอยู่นั่นแหละยังจับได้ มัมีต kind of ัวตนทันทีเก <od> ิดจ <It> ิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตัวเจับได้มีตัวตนทันทีก็คือแสดงความเกิดขึ้นณขณะปัจจุบันนั้นให้ถูกก็จับได้แล้วคือเกิดเกิดปฏิจจสมุปบาทคือเกิดมีตัวตนณขณะนั้นในปัจจุบันนั้นเกิดวินเกิดจิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนแล้วจนเขาจับได้แล้วคือแค่ชั้นเดียวชั้นเดียวไม่มีตัวตนที่เป็นธรรมชาติจริงๆของขันธ์ห้าจริงๆไม่มีตัวตน วิธีเราจะทําให้ไม่มีตัวตน ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่มีตัวตนคือต้องให้รู้ทันมันว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วว่าเป็นสริงได้จริงหนึ่งี่เกิดขึ้นแล้วมันดับไปหรือเป็นแค่สังขารที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่ำดับไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างเนี้นไปเรื่อยๆเราจะวางความเป็นตัวตนเองใครก็ตามหาเราไม่เจอครูบาอาจารย์ก็าาจับเราไม่ได้เราก็ตายแล้วใครก็หาเราไม่เจออย่างนั้นก็เสริจสุด